ตนี้เป็อ <c oughs> รู้สึกตัวยังเต็มที่ไหมยัง <c oughs> ดูออกป่ะงรู้ไหมมันไม่ตื่นไม่ตื่นเต็มที่รู้สึกไหมไม่อยอมตอบตั้งหลังไม่ทันนะคราวนี้ดีกว่าคราวก่อน นะบังคับน้อยลงรู้สึกไหมไเริ่มทําอีกแล้วดูออกใช่ไหมดูออกจะไปสอนคนอื่นได้แต่ของเราต้องทะลุก่อนนะมัวจะดูคนอื่นนะบางคนมันกลับบ้านไม่เป็นดูคนอื่นนะไปเรื่อยเลยคราวนี้ใครทําอะไรที่ไหนประเทศไหนไเห็นทั้งหมดอ่เสร็จนั้นกลับบ้านไม่เป็นหลายคนนะในพวกในร้านทำหลายคนที่เล่นแล้วเข้าที่ไม่ได้ เตลิดออกนอกไปเลยใหม่ๆงงหน่อยนะเข้าใจยากแต่ถ้าอึดๆนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจคือเราเคยชินที่จะเรียนวิชาการทั้งหลายเนี่ยด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือ ด, ด้วยการคิดแต่ศาสนาพุทธไม่ได้เรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดเราเรียนด้วยการรู้สึกเอา คอรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะอย่างร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปง ล, ล, เลงนนนะคเคลื่อนไหวตลอดเวลาใครรู้สึกบ้างไม่ใช่นานๆกระดุกกระดิกทีนะมันยิงเคลื่อนไหวตลอดอย่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายมันมีความเปลี่ยนแปลงมีความเคลืนะ่อนไหวเดี๋ยวก็กระดุกกระดิกเดี๋ยวก็ขยับมือเดี๋ยวกเกาเดี๋ยวนอนนี้กรนะดุกกระดิกไปเรื่อยๆแต่เราเคลื่อนไหวไปแบบใจลอยที่ผ่านมานะอย่างเมื่อกี้นี้ไปยั้งหน้านึกออกไหม เอออย่างนี้เรียกว่าตื่นนะอย่างตะกี้ไม่เรียกว่าตื่นหรอกเขาจะนึกออกไหมว่าไม่เหมือนกันใจเราจะโล่งขึ้นมาเลยนะมันจะตื่นมันจะสว่างขึ้นมาใจจะเบาใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานขึ้นมาเลยอย่างนี้เผลอไปคิดละไหลายแวบไบปดูออกไหมไม่เคยฝึกเลยเคยฝึกไหมเคยไปหัดที่ไหนหรือเปล่าอืม ฝึกมาจากไหนล่ะทำไมเรียนได้เร็ว <c ười> คุยกับใครนะอาจารย์อะไรล่ะเรียนมาด้วยกันเนี่ยรู้สึกตัวไปอย่างเนี้ยนะมันจะคล้ายๆเราตื่นมามันเหมือนเราเปิด์วิตตัวเองขึ้นมาเลยเปิดไฟสว่างขึ้นมาจากข้างในรูนะ้สึกตัวไว้มันงั้นใจเราจะคอยหนีไปเที่ยวเนี่ยหนีไปฝันอีกแล้วดูออกใช่ไหม ะงั้นมันหนีไปหนีก็แล้ว ร, รู้สึกไหมสังเกตไหมว่าห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นะถูกต้องแล้วเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามนะพวกเราหลายคนคิดจะปฏิบัติธรรมะโดยมุ่งหวังว่าเราจะควบคุมจิตใจตัวเองให้อยู่คิดว่าถ้าเราควบคุมให้มันอยู่ให้มันดีถาวรแล้วนี่ยจะบรรลุธรรมไม่บรรลุหรอกเราเข้าใจผิดจิตใจเป็นของเ ป, ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยง จิต ใ, ใจทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์จิตใจบังคับไม่ได้เรียกว่านัตตาอย่างนั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหมเดี๋ยวใช้ตาดูอาตมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใช้หูฟังนิดนึงเดี๋ยวใช้ใจคิดดูออกไหมว่าฟังไปคิดไปอย่างตอนนี้เที่ยวคิดอยู่ะรู้ไหมหลุดขึ้นมาเอาอเข้าวไปอยู่ในข้างในอย่างนั้นไม่เหมือนกันดูออกใช่ไหมคนละโลกเลย ในคนในโลกนี้นะเข า, เ ข, าเข้าไปอยู่ตัดอย่างตะกี้เนี้ยไม่มีคนตื่นออกมาหรอกไม่มีคนหลุดออกมาเลยดังนั้นคนในโลกนี้ถูกความคิดหลอกลวงตลอดเวลาเมื่อถูกความคิดหลอกลวงเนี้ยเวลามารู้กายรู้ใจนะจะเห็นว่ากายกระใจเป็นตัวเราคําว่าสักกายทิฏฐิเคยได้ยินไหมพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นตัวเรา ทำไงพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิได้ชื่อมันบอกแล้วว่าทิฏฐิทิฏฐิคือความคิดความเห็นถ้าเมื่ไรเราสามารถตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นนะเราไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็เห็นทันทีเลยว่ามันไม่ใช่เราพอเห็นจนมันแน่ใจเนี่ยสักกายทิฏฐิจะขาดแต่ถ้าฝันอยู่อย่างเงี้ยยังไม่เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นแต่ความคิดรู้สึกไหม รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองดูออกไหมก็ตื่นขึ้นมาสิยังเข้าไปไม่เลิกเอ่ออกมาอยู่อย่างนี้นะไม่เหมือนกันรู้สึกไหมไงโยเมื่อไหร่จะเลิกประครองเอาไว้หน่อยหนึ่งดูออกปล่าว่าประครองไว้เออมีแล้วไประครองมันทําไมล่ะ คือเราอยากได้มรรคผลนิพพานนะั้นแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเราจะตะเกียกตะกายหาพยายามหาปรุงแต่งใหญ่เลยนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งเนนั่งปรุงประคองนั่งปรุงแต่งอะ่ะทํากับข้างไม่เจอได้ไงนิพพานมีอีกชื่อว่าวิราคะไม่อยากถ้าอยากปฏิบัตินะไม่ได้กินอ่ะดีขึ้นเยอะแล้วเนาะ คุณน่ะอย่าเข้าไปติดอยู่ในโลกข้างในนะอยู่ข้างในไม่ดีหรอกเมื่อกี้หนีไปทำอะไรคุณผู้ชายนะ่ะทราบไหมส่งเข้าไปดูนะนึกออกไหมใจเคลื่อนไปลองทำอย่างเมื่กี้ใหม่สิลองทำใหม่ ม, มใจมันไม่ไปรู้สึกไหม <c oughs> ออไม่ไปอะดีแล้วอย่าให้มันแอบไปโดยที่เราไม่เห็น ไปแล้วรู้สึกไหมไหลไปแะ้วนั้นไหลไปเราคอยรู้ทันไหลไปรู้ทันเรื่อยๆนะจิตมันจะหลงมันจะไหลทั้งวันอ่ะจิตมันไม่ตื่นมันไม่รู้สึกตัวไม่ตั้งมั่นมันแต่จะไหลไปเรื่อยๆคือจิตของเราเมืจะสุดโต่งอยู่สองฝั่งฝั่งที่หนึ่งไหลตามกิเลสไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้ไหลไปเรียกว่าการสุขขันธิการนยิยโตกตามกิเลสไป อีกฝั่งหนึ่งคือประคองเอาไว้เหมือนโยงเงี้ยเรื่องอัตตาจิเลมัฐานุโยบประคองเอาไว้บังคับเอาไว้ข่มเอาไว้ควบคุมเอาไว้นะนสุดโต่งอยู่สองฝั่งส่วนเส้นทางของการเจริญสติทางสายกลางไม่บังคับเราหัดรู้กายหัดรู้ใจตามความเป็นจริงก็เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปบังคับแต่เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าเราเผลอไปเราใจลอยไปอย่างเงี้ย ไหมลงอยู่ในความคิดเนี่ยลืมกายลืมใจนึกออกไหมลืมกายลืมใจตัวเองยังไม่เลิกคิดรู้สึกไหมออกมาที่ออกมาอเออนะดูออกใช่ไหมมันอยากเข้านะมันถูกหรอกนะเราได้ยินครูบาอาจารย์สอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแลเราก็เลยพากันส่งเข้าข้างในท่านไม่ได้สอนนะว่าอย่าส่งกิตออกนอกแล้วจงพากันส่งเข้าข้างใน ทำให้ส่งจิตออกนอกของโลงปูดูเนี่ยรวมทั้งส่งเข้าข้างในด้วยะคือหลงไปทางทะวานทั้งหกนั่นเองโรวงปูเทศเลยแยกสองงา น, นส่งนอกกับส่งในอย่างเมื่อกี้ส่งในดูออกใช่ไหมตอนเนี้หลงไปคิดอีกและวดูออกไหมเออถ้าอย่างนี้ข้างช่วยหน่อยถ้าอย่างนี้เรียนง่ายหนูนาประคองไว้ <laughs> เออไม่มันสุดตรงสองฝั่งดยออกไหมสุดตกงสองข้างงั้นเวลาฟุ้งจะทำไงดีือฟุ้งรู้ว่าฟุ้งไม่ใช่ฟุ้งเราไปควบคุมนะเห็นไหมเผลอแล้วคุณผู้ชายเนี่ยเนี่ยเราไปดูหนูนาเราลืมตัวเราเองนะคอยรู้สึกไว้ของคุณมานั่งตรงนี้มะอยู่ไกลหลพ่อมองไม่ถนัดนะมันนั่งนี้ มาเป็นเพื่อนอาจารย์หร อ, อาจารย์สังเกตไม่ใจใจของเราเนี่ยชอบแอบไปทํางานจิตนะใจเราทํางานได้สิบสี่อย่างเนะี่ยนี่เราไม่ต้องเรียนครบสิบสี่อย่าง เ, เราเรียนบางอย่างก็พอจิตใจเราแอบไปดูเห็นคนเดินมาเราไปดูจิตนะใจไปทําหน้าที่ดู ไปทำหน้าที่ฟังไปทำหน้าที่ดมกลิน่นไปทำหน้าที่รู้รสไปทำหน้าที่รู้สัมผัสทางกายนี่ห้าอย่างละไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิน้นกายที่เหลือเป็นการรู้อารมณ์ทางใจทั้งหมดมีสิบสี่อย่างนี่ทางใจเนี่ยจะมีหลายแบบทางใจนี่ยเยอะจิตที่ทำงานทางใจทำได้เยอะแยะเลยไงจา์สุรวัต นิมนต์นิมนต์เมือเ่อไหร่จะให้มันขาดเดีกยวเขาบ้างนะอย่าไปคิดว่ามันขาดนะดูออกว่ามันหายเป็นช่วงๆไม่ถาวรดูออกไหมเดี๋ยวความเป็นเรามันก็กลับมาอีกอนะมากมันยังไม่ไม่เกิดนะดีดีแล้วดีแล้วทําได้เยอะแล้วนะอดทนไปเนี่ยไปละ อย่าไปเสียใจนะ <c oughs> อย่าไปเสียใจจิตพ่องดวงไหมบางครั้งมันก็ยังรู้สึกว่าจิตเป็นเราอยู่หน่อยๆนะบางครั้งก็หายไปเนะี่ยมันไม่สมุดเฉดทีเดียวนะคอยดูเอาเดี๋ยววันนึงก็ขาดมาดูไว้ดนะึงตั ว, บบ จ, ะวจะเปิดแบบว่ามันก็ัวยังเปิด ไอ้กลัวเผลอไม่เป็นไรนะแต่ว่ายังเห็นว่าใจเป็นเราเนี่ยจิตยังรู้สึกว่าจิตเป็นเราอยู่นะตรงเผลอเนี่ยพระอรหันต์ยังไม่เผลอเพราะงั้นเราเผลอไม่แปลกเรายังไม่จบจิตเพราะฉนั้นยังมีการกระทำนะยังมีการกระทําำเห็นไหมมันมีการทํางานมีการทํากรรมฐานนั่นแหละนะแต่ว่าต้องทํานะอยู่ๆจะไปเลิกไม่ได้ อยู่ๆนึกน้อมใจไปเลิกก็เสียหายหมดเลยหน้าที่ของเราก็คือเมื่อจิตเขาแอบไปทำงานนะจิตพองคอยรู้ทันเขารู้ไปเรื่อยๆอย่าเสียใจนะหลวงพ่อเราก็สงสารมากเลยอาจารย์รู้จักใจลอยไ้มอาจารย์รู้จักใจลอยไหมนะใจลอยเนะนี่ยภาษาพระว่าขาดสตินะขาดสติขณะที่เราใจลอยเนี่ยเราจะไปรู้อันอื่น เห็นคนเดินมาเราก็ร for uh AH ู้ได้ยินใครพูดเราก็รู้เรารู้สิ่งอื่นๆแต่เราไม่รู้กายรู้ใจตัวเองเราจะลืมกายลืมใจตัวเองเขาเรียกว่าขาดสัมมาสติสติก็มีสองนันนะสัมมาสติกับสติเฉยๆสติธรรมดาเนี่อรู้อารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติในฝ่ายกุศลต้องฝ่ายกุศลเนี่ยสัมมาสติจะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้ขันห้างตัวเอง งงไหมฟังอาตมาพูดออ่อานหนังสือมาก่อนไม่งงนะหรือฟังซีดีมาบ้างก็ไม่งงใครมาฟังครั้งแรกส่วนมากจะปวดหัวมากเลยเป็นธรรมชาตินะ <c oughs> มีคนหนึ่งบอกปวดสามวันมาครั้งหนึ่งปวดหัวสามวันรู้จักใจลอยไหมโย่ใจลอยรู้จักไหมใจลอยด้วยตรึงเอาไว้ด้วยมันทำได้ยังไง นะมันอัจฉริยะจริงตรึงอยู่โดยพื้นฐานรู้สึกไหมอาจารย์สุรวรรณไม่แค่ให้ดีอาจารย์สังเกตไหมอาจารย์อาจารย์ตามลูกผิดนะไม่รู้อาจารย์อะไรอาจารย์สังเกตไหมใจเราแอ บ, บทำงานเรื่อยๆแอบบปิดชิดบ้างแอบบไปหาบ้างนะแอบบไปดูบ้าง คอรู้ทันพฤติกรรมของเขาเยรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้รู้กายก็รู้รูปไปรูปยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนะไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะเป็นรูปมันเดินรูปมันนั่งใจสงสัยทราบไหมความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้เข้าไปตรงๆรู้ทันมันไปเรื่อยๆ แต่อย่านั่งจ้องเอาไว้นั่งจ้องเอาไว้ผิดนะห้ามจ้องให้มันเกิดไปก่อนความรู้สึกอะไรเกิดเกิดไปก่อนแล้วเราค่อยตามรู้เอาหลักของการปฏิบัติในการดูจิตใจตัวเองเนี่ยเป็นการตามดูตามรู้หมายถึงมันเกิดก่อนรู้ที่หลัง mm hmm. ถ้าไปนั่งจ้องเอาไว้ก่อนใช้ไม่ได้อย่างเมื่อกี้มันหนีไปรู้สึกไหมรู้ทันไหมเมื่อกี้หนีไปไม่เลิกคิดนะรู้ไหม เอออย่างนี้นะจาตรงนี้ได้ไหมนะถ้าหลุดไปจากตรงนี้แล้วก็แสดงว่าหลงไปละอย่างตอนนี้หลงละไม่เลิกหลงรู้ไหมเออนะรู้สึกขึ้นมานูนายังไม่หายเกรงอีกเหรออื <c oughs> ออย่าตั้งใจนะอา้าวทำไมนะล่ะอ้าวหรอ มาวัดบ่อยๆอยังตื่นเต้นอีกแทนเป็นไงบ้างของคุณอ่ะดีแล้วนะคอยรู้สึกไปเนี่ยคุณผู้ชายเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆมันยังจงใจประครับประคองไว้นิดหน่อยเราก็รู้มันนะรู้เรื่อยๆไปนีไ้คิดแล้วรู้ไหม เราไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเราเองบางคนมาถามว่ารู้ตัวเป็นยังไงรู้ตัวเนี่ยรู้ลมหายใจหรือเปล่าไม่ใช่นะั่นมันรู้ลมรู้มือรู้เท้าไหมไม่ใช่อันนั้นรู้มือรู้เท้าไม่ใช่รู้ตัวถามว่ารู้ตัวเป็นยังไงโอ้ตอบยากนะรู้ตัวคือไม่เผลอไม่เผลอกับไม่เพ่งเอาไว้ไม่บังคับกับไม่หลงหลุดออกไปเลย อย่างนี้ไม่รู้ตัวนะอย่างเนี้ยเรียกมารู้ตัวอย่างนี้ไม่รู้อีกแล้วรู้สึกไหมเข้าไปค้นคว้ามันทายออกมาเลยรู้สึกขึ้นมาตั้งใจไม่ได้นะตั้งใจก็ผิดแล้วรู้สึกไหมว่าตั้งใจขึ้นมานี่ให้รู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองไหมถ้าเมื่อไหร่รู้ไม่เท่าทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองเรียกว่าเผลอทั้งหมดเลย ไม่ว่าหลงหมดเลยเอ้าคุณผู้หญิงเนี่ยไปทำอะไรไปจ้องใส่อะไรไปดูมันทำไมรู้ว่าดูน่ไม่ใช่ไปรู้ขานะรู้ว่าดู